รู้ลมหายใจขั้นแรกของการฝึกมีสติอยู่กับกายการเริ่มปฏิบัติที่ง่ายที่สุดคือการเข้าไปรู้สิ่งที่มีติดตัวอยู่แล้วและปรากฏให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องสร้างใหม่ นั้นก็ได้แก่ลมหายใจการฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจนับเป็นบาดฐานของการฝึกมีสติอยู่กับกายเสมอเสมอลมหายใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับลงอยู่ตลอดเวลาเท่า่าเพียงบางขณะเท่านั้นที่เราเข้าไปรู้สึกถึงลมหายใจเช่นเมื่อเหนื่อยหอบต้องหายใจถี่หรือเมื่อถอนใจโล่งอกเมื่อเรื่องร้ายๆผ่านไปเสียได้ นอกจากลมหายใจมีก็เหมือนไม่มีเพราะไม่เคยเป็นที่สนใจรับรู้การฝึกรู้ลมหายใจให้ได้เรื่อยๆนับเป็นความแปลกใหม่แน่นอนว่าแรกๆเมื่ อ, อยังไม่คุ้นก็อาจทำไม่ค่อยถูกจับจุดไม่ค่อยถนัดหรือกระทั่งอึดอัดได้ต่อเมื่อฝึกสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งเริ่มมีใจรักที่จะอยู่กับลมหายใจ เห็นลมหายใจเป็นเครื่องเล่นของสติถึงเวลานั้นสติจะตั้งรู้อยู่อย่างผ่อนคลายและกลายเป็นศูนย์กลางของความรู้สึกตัวอย่างสำคัญการฝึกรู้ลมหายใจทำได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้ 1. ตั้งกายตรงดา okay, ร, รงสติมั่น เ, เมื่อเริ่มฝ90ึกช่วงแรกสุด mm hmm. ควรอยู่ในที่สงัดสบายมีสติไม่เหนื่อยล้าขอให้สังเกตว่าถ้าส่วนหลังตั้งตรงจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกถึงลมหายใจชัดเจนกว่าเมื่อหลังงอกล่าวอย่างย่นย่อเพื่อให้จาง่ายคือเมื่อใดอยู <S <S ่ในที <S <S ่ปลอดคน ขอให้สังเกตว่ากำลังหลังตรงหรือหลังงอเพียงเท่านั้นก็จะเกิดสติพร้อมรู้ตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วและถ้าสตินั้นดันหลังให้ตั้งตรงโดยไม่ฝืนก็นับเป็นสติพร้อมรู้สึกถึงลมหายใจในทันทีจะปิดตาหรือเปิดตาไม่สำคัญสำคัญที่ให้แน่ใจว่าจิตไม่ซัดสายเพราะการเคลื่อนของดวงตาเป็นพอ 2. มีสติหายใจออกลากลมหายใจเข้าสบายๆอย่าเพิ่งกำหนดรู้และถ้ารีบตั้งสติกำหนดลมเข้าซิแต่แรกคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับสายลมเข้าจนกลายเป็นเพ่งจับแรงเกินไปจึงอึดอัดคัดแน่นหรือมีกายกำเกรงด้วยความคาดหวังเร่งรัดให้เกิดความสงบทันที แต่หากลากลมหายใจเข้าจนสุดแบบผ่อนพักแล้วจึงกำหนดสติรู้ลมขณะผ่อนออกก็จะไม่รีบรีดลมจนท้องเกรงและรู้สึกว่าลมหายใจเป็นสิ่งถูกเห็นได้ง่ายขอให้จำไว้ว่าถ้าสบายขณะรู้สึกถึงลมหายใจออกแปลว่ามีสติขณะหายใจออกแล้ว ม, มีสติหายใจเข้าเมื่อผ่อนลมหายใจออกหมดขอให้สังเกตว่าร่างกายต้องการหยุดลมนานเพียงใดเมื่อสังเกตจะทราบว่าร่างกายไม่ได้ต้องการลมเข้าทันทีแต่จะมีช่วงหยุดพักหนึ่งเมื่อรู้สึกถึงช่วงพักลมนั้นได้ตามจริงก็จะเกิดความผ่อนคลายสบายใจและสำคัญที่สุดคือ พอร่างกายต้องการลมเข้าระลอกต่อไปก็จะเกิดสติรู้ขึ้นเองโปรดจําไว้ว่าการรีบดึงลมเข้าก่อนความต้องการของกายไม่ถือว่าเป็นสติแต่นับเป็นความอยากและขอให้สังเกตด้วยว่าอาการทางกายที่เกื้อกูล ก, กันกับลมเข้าได้ดีที่สุดคืออาการที่หน้าท้องค่อยๆพองออกทีละน้อยกระทั่งลมสุดปอด 4. รู้ทั้งลมยาวและลมสัน้นช่วงลมหายใจแรกแกที่กำหนดสติรู้ขอให้สังเกตว่าจะมีความล่าเข้ายาวผ่อนออกยาวได้อย่างสบายลมยาวเป็นสิ่งถูกรู้ได้ง่ายแต่เมื่อชักลมยาวได้เพียงครั้งสองครั้งร่างกายก็จะต้องการลมสั้นลงซึ่งก็ต้องตั้งสติมากกว่าเดิมจึงรู้ได้ สติจะขาดตอนหรือไม่จึงมักอยู่ที่ช่วงลมสั้นหากยังรักษาสติไว้ได้ก็จะเกิดความรู้ต่อเนื่องเมื่อฝึกจนไม่มีความอยากบังคับเอาแต่ลมยาวกับทั้งไม่เหม่ร อ, อยขณะหายใจสั้นก็นับว่าฝึกข้อนี้ได้สำเร็จอุบายง่ายๆคือควรรู้สึกถึงช่วงลมหยุดให้ดีๆอย่ารีบร้อนเร่งรัดลมเข้าให้กายเป็นผู้บอกว่า จะเอาลมเข้าเมื่อไหรสมควรยาวหรือสั้นแค่ไหนเท่านี้จะช่วยได้มาก 5. เห็นว่าจิตเราเป็นผู้รู้ลมให้สำรวจเสมอๆว่าเราเพ่งจ้องลมแรงเกินไปหรือเปล่าหากเพ่งไปข้างหน้าแรงเกินพอดี ก็จะพบว่าความรับรู้ทั้งหมดมีขนาดเท่าๆกับลมหายใจเป็นความรับรู้แน่นๆคับแคบไม่สบายแต่หากเฝ้ารู้อยู่เบื้องหลังก็จะพบว่าความรับรู้มีขอบเขตกว้างเกินลมหายใจเข้าออกเช่นรู้สึกถึงท่าทางที่นั่งอยู่ด้วยว่ากําลังหลังงอหรือหลังตรงในสภาพจิตที่รับรู้สบายๆได้เกินลมหายใจนั้น เราจะเห็นตนเองเป็นผู้รู้ทั่วถึงคือทราบลมแบบต่างๆอย่างเท่าเทียมกันไม่เพ่งเฉพาะขาเข้าไม่รู้ชัดเฉพาะตอนยาวเหมือนเมื่อก่อน 6. ระงับความกวัดแกว่งทางกายให้เท่าทันเมื่อมีความกระดุกกระดิ์ทางกายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อเท่าทันอาการกระดุกกระดิกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ย่อมเห็นกายโดยรวมว่ามีความนิ่งในความนิ่งนั้นรู้อยู่เห็นอยู่ว่าลมกำลังออกกำลังเข้าหรือกำลังหยุดอยู่เหมือนกายเป็นฐานที่ตั้งอันมั่นคงของลมหายใจที่เริ่มประณีตจิตก็จะพลอยระงับไม่กวัดแกว่งตามกายยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเจด เพียรต่อเนื่องจนเกิดภาวะรู้ชัดเมื่อทํามาตามลําดับจะรู้สึกตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆกายกับจิตทํางานรับกันกระทั่งเกิดภาวะรู้ชัดเปรียบเหมือนช่างกลึงผู้ชักเชือกอย่างฉลาดและขยันเมื่อชักยาวก็รู้ชัดว่าชักยาวเมื่อชักสั้นก็รู้ชัดว่าชักสัน้นสติที่ต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆย่อมก่อให้เกิดพลังรับรู้ไม่ขาดสาย ถึงจังหวะนี้จะรู้สึกว่าเรามีสองตัวตัวหนึ่งเป็นรูปธรรมคือลมเข้าออกปรากฏชัดอยู่ตรงหน้าส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นนามธรรมคือจิตที่ตื่นตัวเต็มไปด้วยความพร้อมรู้กระจ่างใสอยู่ทุกขณะ 8. พิจารณาลมโดยความไม่เที่ยง ให้พิจารณาลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเช่นมันมาจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในแล้วต้องคืนกลับออกไปสู่ความว่างภายนอกเหมือนเดิมหรืออาจมองว่าลมเข้าออกขณะก่อนก็ชุดหนึ่งลมเข้าออกขณะนี้ก็อีกชุดหนึ่งไม่เหมือนกันเป็นคนละตัวกันเห็นอย่างไรให้พีนิดไปเรื่อยๆอย่างนั้น แก่นสำคัญของการเห็นคือรู้สึกชัดว่าลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่อันเดิมแล้วก็แล้วกัน 9. พิจารณาความระ ง, งับกิเลสเพราะรู้ลมอยู่เมื่อรู้จักลมหายใจของตนเองดีพอ เราจะรู้สึกถึงลมหายใจของคนอื่นแม้เพียงมองด้วยหางตาและเห็นว่าไม่ต่างกันเลยกับของเรานั่นคือมีออกแล้วมีเข้ามีเข้าแล้วมีออกสักจะเป็นภาวะพัดหวครู่หนึ่งแล้วหยุดระงับลงเหมือนเหมือนกันหมดถึงตรงนี้เราจะเกิดภาวะความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึง่งแตกต่างไปจากสามัญ น, นั่นคือ ลมหายใจมีอยู่ก็สักว่าเพื่อระลึกรู้และตราบใดที่จิตอยู่ในอาการสักแต่ระลึกรู้ตราบนั้นย่อมไม่เกิดอาการทยานอยากปราศจากความถือมั่นในอะไรอะไรในโลกชั่วคราวเพียงด้วยขั้นแรกของการฝึกมีสติอยู่กับกายนี้เราก็จะได้ความเชื่อมั่นขึ้นมาหลายประการประการแรกคือไม่ต้องออกเดินทางไปไหน เพียงกำหนดใจเข้ามาภายในกายดูแต่ลมหายใจก็ยุติความทยานอยากอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วประการที่สองเมื่อดูลมหายใจเป็นเราจะได้ราวเกาะของสติชั้นดีที่มีติดตัวอยู่ตลอดเวลาตราบใดยังมีลมหายใจตราบนั้นเราได้แหล่งเจริญสติเสมอไม่ต้องเปลืองแรงเดินทางไปไหน และอีกประการที่สำคัญและไม่ควรนับเป็นประการสุดท้ายเราจะได้ความเข้าใจว่าที่ลมหายใจมีความเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกเจริญสติก็เพราะเราสามารถใช้เป็นเครื่องตรวจสอบสติได้อย่างชัดเจนว่ากําลังอยู่กับปัจจุบันอย่างถูกต้องหรือผิดพลาดเนื่องจากลมหายใจมีได้เพียงสามจังหวะคือเข้าออกและหยุดไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ หากขณะหนึ่งหนึ่งเราบอกไม่ถูกว่าลมกำลังอยู่ในจังหวะไหนก็แปลว่าสติของเราขาดไปแน่ๆและเมื่อรู้ว่าสติขาดก็จะได้รู้ต่อว่าควรนำกลับมาตั้งไว้ตรงไหนด้วย บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่26เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสร์ตรีโซพา สิ่งรอบปลายปัดกลายพิรมสินความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสาราวิโม